ท่านฟังที่เคารพค่ะหลังจากที่เราได้ฟังพุทธวจนะกันไปก็มาถึงคราวที่จะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนแห่งวัดปาดอนายโศกจังหวัดอุดรทานีกันแล้วนะคะนักมาศการคะท่านคะอาจารย์เตพรค่ ะ, ค ะ, ะ, คะสัปดาห์นี้ต้องพูดเรื่องต่อไปนี้เลยนะคะไม่พูดไม่ได้ตกเทรนเลยค่ ะ, ะก็ขอให้รายการธรรมะ ได้ให้ธรรมะกับประเด็นทางโลกซึ่งเป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันมากแล้วก็วิพากษ์วิจารน่ากลัวนะคะอเอาแค่หัวข้อที่สื่อเขาเรียกสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้ด้วยไปจนถึงที่26ก oh. ก็เป็นสัปดาห์อันตรายเนะะี่ยค่ะเพราะจะมีการพิพากษาคาดีทรัพย์สินของคุณทักษิณทีนี้รายละเอียดในเขาวิพากษ์วิจารกันไปเยอะรายการเราไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะ รายการนี้เป็นเจตนาที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเนี่ยเข้ามาช่วยช่วยพวกเราธรรมะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะก็อย่างสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวนี้อยู่ค่ะคือตอนที่ช่วงท้ายๆสมัยพุทธกาลที่ว่าพระเทวทัตเนี่ยต้องการจะประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วก็มีเรื่องฮือฮาว่าพระเทวทัตจะพาพระไปอะไรต่างๆ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะก็ใครสาวกทั้งหลายเนี่ยก็ใจเย็นๆนะไม่ต้องไม่ต้องเครียดอะไรนะให้วางใจเป็นกลางนะใครที่ประทำดีก็ต้องได้ดีใครทำชั่วก็ต้องได้ชั่วไปคือสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยเาค่าเ า, า, า, าเราก็ต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการพูดด่าว่ากัน ถ้าเราไม่ทําตรงนี้ได้สบายคใครด่ากันยังไงไม่เป็นไรเรานิ่งไว้ใครว่ากันยังไงไม่เป็นไรเราพูดดีๆไวนะ้มีเป็นเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดดีกว่าคือ 1, 1เป็นผู้มีศีลสองแผ่เมตตาต่อให้ฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดถ้าเขาถูกจริงหรือผิดจริงเราเป็นสุขหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ถูกจริงเขาผิดไม่จริงเราก็เป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกนี่คือบรรยากาศธรรม ปณกาธรรมคือ1เป็นผู้มีศีลศีลหเนี่ยรักษาให้ดีเขา<ช>ด่าว่ากาันรเราไม่พูดเขาโกหกกันเรานิ่งไว้สองขั้นตอนที่สองหลัจะมีศีลแล้วให้แผ่เมตตาจะเลเมตตากรุณามุริตาเบกขาพรหมวิหารศีเนี่ยไปทั้ง4ทิศด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างทาแบบเนี้ยต่อให้ใครจะว่าเรายัางไงจิตเราก็เป็นสุขเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเป็นขอไปเป็นธรรมที่ไม่ผิดอปณกาธรร เรียกว่าเป็นธรรมที่ไม่ผิด<ช>อปัณกะธรรมธรรมที่ทปฏิบัติแล้วไม่มีทางผิดเลยปฏิบัติแล้วไม่มีทางผิดอันเนี้ยพระสูตรเนี้ยตรัดกับชาวกาละมาะชาวกาลมาเนี่ยมาถามพรพุทธเจ้าบอกว่าเยเนี่ยาศาสนาองค์นั้นก็ไหวอย่างน้นาศาสนาอนี้ก็ไหวอย่างี้โอ้หตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยใครถูกใครผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเาก็นี่ไงถ้าเธอไม่ฆ่าสาต์ไม่ักทัพย์ไม่เพื่อผิดในกามนะ คือประพฤติตามศีลน ะ, <ค>ะแล้วมีเมตตาแผ่เมตตากรุณามุนิตาเบิกขาต่อให้าศาสดาองค์นั้นเขาถูกจริงต่อให้ชาติหน้าไม่มีจริงหรือชาติหน้ามีจริงตอนนี้เธอเป็นสุขคะ่ะเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปอะไรตอนนี้สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงไม่เป็นไรเราเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลมีเมตตาคนที่มีเมตตาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่หืนห่างจากฌานแล้วถ้าสมมุติเราตายไปใ น, ในหนบัดนี้ไปสบายเท่ายจคะ่ะอย่างนี้ก็ เท่ากับว่าเราต้องรักษาตนถูกคะรักษ า, าจิตเรามากๆอันนี้คือการรักษาตนด้วยกา ร, รกาเสดธรรมะด้วยการเสดธรรมะด้วยการทำให้มากด้วยธรมะด้วยการเ <c oughs> จริญธรรมะ น, นี่เท่ากับว่าได้ทั้งเสดได้ทั้งทำให้มากและได้ทั้งจเจริญถูกต้องนะคะและคิดดูนะถ้าเราเป็นผู้มีศีล น, นะคนอื่นเขาจะมาะเพ่งโทษติดเตียนเราไม่ได้ค <c oughs> ่ะสหรับ ท่านฟังนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีศีลมีเมตตาถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นปันนกระทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่มีทางผิดปไป<า>ได้<า>ไม่ผิดถ้าอาจารย์คะทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็วันเนี้ยมันจะมีเหมือนกับการเชียร์ข้างนู้นข้างนี้ใช่ไหมคะมันมีความเห็นไม่เหมือนกันะคน ใ, <ช>ในสังคมทีนี้เท่ากับว่าให้ทุกท่านอยู่เฉย ไม่ต้องไปยุ่งกับใครหรือไงคะทําข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมีความเห็นยังไงที่ไม่เป็นมิจฉาทิฐินะก็ทําไปให้ทํามีผลเดวดามีพ่อแม่มีทําไปแต่ถ้าการกระทําอะไรที่จะต้องพูดหยาพูดส่อเสียดพูดเบียนเบียนพูดเพอเจอร์เราไม่ทำค่ะแค่นี้อะไรที่จะต้องฆ่าใครทํำร้ายใครเบียดเบียนใครเราไม่ทำค่ะแค่นั้นเองทํากิจกรรมอะไรก็ได้คุณจะไปหยาใบบิวจะพูดกับใคร จะทำอะไรจ ะ, จะแสดงยังไงแต่อย่าด่ากันอย่าว่ากันอย่าเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจสบายค่ะนะคะอันนี้ก็จะได้ให้ท่านทั้งหลายที่กำลังไม่สบายใจแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่รู้มันจะอ่อกไงก็ช่างมันก็แล้วกันนะคะใช่ได้มีอย่างน้อยมีธรรมะเอาไปเป็นเครื่องดับทุกของเราณนะปัจจุบันนี้และไม่มีใครช่วยท่านได้นะคะท่านต้องช่วยตัวเองอันนี้เป็นเป็นความโชคดีของตัวเอง เพรามว่าบุคคลที่หวังความโชคดีเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองคนจะเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองได้จะต้องพูดดีคิดดีทําดีคนจะพูดดีคิดดีทําดีได้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่าให้ออกความไม่ดีเข้าเป็นผู้สํารวมอินทรีย์คนจะสํารวมอินทรีย์ได้เนี่ยต้องมีฮิริอตตะปากลัวบาปนายบาปคนจะมีฮิริอตตะปาได้ต้องมีสติคนจะมีสติได้คุณต้องมีสติอยู่ในกายมีอนาพนสติค่ะเอาลมหายใจนี่แหละ เท่ากับแปลชัดๆนะคะบางคนก็อ จ, จะบอกว่าเอ๊ะเราแปลว่าอะไระก็คือว่าไม่ได้บอกว่าให้อยู่เฉยๆ<ช>ไม่ต้องทำอะไร<ช>อะไรที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำท่านทำแต่ว่าทำในวิธีของพระพุทธเจ้า ท, ทําที่คนทำแล้วเนี่ยคนอื่นติเตียนเราไม่ได้ ค, คืออะไรเราไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกอะไรที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเราไม่ทำค่ะก็ะเป็นอันว่าเดีฉันถือว่าได้ทาหน้าที่ ให้กับสังคมไปแล้วนะคะรายการนี no ้เรากำลังเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโนนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันสนีนาคพงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านอาจารย์คะมีคำถามรู้สึกส่งไปที่ท่านอาจารย์นี่จะเป็นคอเลยนะคะแบบเดี๋ยวนี้พุทธวจนะนี่มีคนที่ถือว่าเป็นคอจะเป็นภาษาเพราะเพราะว่ายังไงดีนะคะ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนนําเป็นผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะให้เปิดตามที่ถูกปิดค่ะบางคนนี่ท่านศึกษาขนาดดิฉันเองยังงงยกแต่อย่างเช่นเรื่องที่จะถามนี่เลยดีกว่า ค, คุณนัทกุศลพงวานิตพูดถึงเรื่องธาตุหอย่างดิฉันอเองนี่ยังติดอยู่แค่ธาตุสี่อย่างเท่า น, นั้นเองนะคะคิดว่ามีแค่ดินน้าลมไฟ<อ>แต่ท่านนี้เนี่ยพูดถึงอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะคะโดยบอกว่าวาโยธาต์ กับอากาศสัธาตุเนี่ยต่างกันไหมรบกวนว่าท่านช่วยพูดได้คนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องธาตุเนี่ยได้เข้าใจด้วยรเรื่องธาตุเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าธาตุเนี่ยคือองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนะในการที่จะรวมอะไรแล้วเกิดขึ้นมาเป็นธาตุต่างต่างอย่างรถเนี่ยที่เรานั่งอยู่หรือว่าวิทยุที่เราฟังอยู่เนี่ยมันมาจากธาตุธาตุดินน้ําไฟลมมารวมกันค่ะนะพระพุทธเจ้าพูดววไว้หลายในยะในยะแรกเนี่ยบอกว่านี่ไงรูปรูปที่ เป็นสิ่งที่แตกสลายได้นะมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปรูปประกอบด้วยอะไรล่ะก็ธาตุดินน้ําไฟลมไงเอ๊ะอะไรมันคือดินน้ําไฟลมอ๋ออะไรที่เข้นแข็งนะคือดินอะไรที่ไหลไหวตัวได้ไหลเป็นของเหลวนะคือธาตุน้ําธาตุไฟคืออะไรอะไรที่มีขอเป็นความร้อนคือธาตุไฟธาตุลมคืออะไรสิ่งที่ไหวตัวได้คือธาตุลมนะนี่คือที่พูดถึงธาตุทั้ง4อีกหลายนัยยะพูดถึงธาตุทั้ง6ก็มี โดยมีอากศาศธาตุกับวิญญาณธาตุเพิ่มขึ้นมาหมายความว่าไงคะธาตุนาก่อนธาตุเนี่ยคือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า element element เ, เ, เนี่ยคือองค์ประกอบสมมติเราบอกว่ า, ารถเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ๋อมียางมีเครื่องยนต์มีระบบช่วงล่างมีตัวถงังมีหลังคามีกระจกอ๋อองค์ประกอบทั้งทั้งหมดเหล่านี้รวมกันเรียกว่ารถยนต์เมคนก็เหมือนกัน คนนี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนี่ไงธาตุดินน้าไฟลมรวมกันเนี่ยเรียกว่าคนขึ้นมากลายเป็นคุณจัรสนีขึ้นมากลายเป็นพระไปบูลต่างๆ ซ, งซึ่งมาจากธาตุเดียวกันคนมีสี่ธาตุใช่ค่ะทีนี้บางนายัยยะพูดถึง6กธาตุคือธาตุอากาศอากาศสธาตุกับวิญญาณธาตุนี่ก็คนเหมือนกันนะคะวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณธาตุคืออะไระใช่ไหมคือจะอธิบายให้ฟังค่ะวิญญาณธาตุเนี่ยคือความธาตุรู้สิ่งที่เข้าไปรู้ได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุดินอะไรก็แล้วแต่นะอะไรที่เป็นส่วนเข่นแข็งที่มีอยู่ในตัวเรานะอันวิญญาณธาตุอาศัยแล้ววิญญาณธาตุคือตัวที่เข้าไปรู้ตัวที่เข้าไปจับยึดว่าเอ้ยนี่หัวใจของเราหัวใจของอื่นไม่ใช่หัวใจของเราค่ะนี่คือวิญญาณธาตุที่เข้าไปอาศัยในธาตุดินคือหัวใจที่อยู่ในตัวเราค่ะนิ้วก้อยนี่นิ้วก้อยนี่มันของฉันนะแต่นิ้วก้อยของอื่นมันไม่ใช่ธาตุดินตรงเนี้ยที่อยู่ปลายก้อยเราเนี่ย มีวิญ ญ, ญาณธาตุของเราเข้าไปอาศัยอ้อนี่คือธาตุดินอของเราคะ่ามะมันเข้ามาเพราะฉั้นวิญญาณธาตุเนี่ยคีย์บดของคําว่าวิญญาณธาตุเนี่ยคือคํ า, ญญ า, านนคคว่ารู้ร ค, <ะ>คือตัวรู้คะ่ะในขณะ ท, ที่อากาศสธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าหมายถึงช่องว่างคะ่ะช่องว่างที่อยู่ตามต่างๆนะช่องว่างในท้องช่องว่างในหูช่องว่างในลําไส้หรือช่องว่างส่วนไหนๆในร่างกา ย, เ, ยเรียกว่าอากาศสธาตุ วายโยธาต่างกับอากาศธาตุอย่างไราธาตุลมต่างกับอากาศธาตุอย่างไราธาตุลมตรงที่ว่าคีย์เวิร์ดของกรรมาธาตุลมเนี่ยคือการไหวตัวได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมขึ้นเบื้องบนลงล ม, ล, มลงต่ําลมพัดไปตามตัวอันนี้คือาธาตุลมไหวตัวได้ใช่อากาศธาตุคือช่องว่างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามือเนี่ยลูบไปในอากาศ ร, รู้สึกความไหวของอากาศโอ้อันนี้คือาธาตุ เป็นวายโยไปละใช่ไม่ใช่อากาศธ า, <ข>าตุค่ะแต่ว่าเป็นเพราะไปผ่านอากาศธาตุทําให้อากาศที่ว่างเยงู่น้มันไหวเลยไงคะมันเลยกลายเป็นธาตุลมการที่เปลี่ยนแปลงของธาตุต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุเนี่ยไม่เที่ยงค<า>่ะเปลี่ยนแป ล, ปลงได้และเราควรจะเห็นธาตุเนี่ยโดยความเป็นอย่างนี้ว่ามันเป็นของเป็นอนัตตาทีนี้เราจะบอกได้ไงว่าอันนี้เป็นธาตุอะไรก็ดูที่คุณสมบัติของมันค่ะ<า>ถ้ามันว่างๆอยู่อันนี้เป็นอากาศธาตุถ้ามันไหวตัวอยู่อันนี้เป็นธาตุลม ถ้ามันร้อนมันเย็นเอาอันนี้เป็นธาตุไฟถ้ามันเข่นแข็งเอาอันนี้เป็นธาตุดินยกตัวอย่างเงี้ยอย่างสมมุติน้ําแข็งค่ะเดี๋ยวตั้งไม่สนิทเอามันกลายเป็นธาตุน้ำตั้งตั้งที่เมื่อก่อนมันแข็งอยู่ค่ะเป็นต้นอย่างเงี้อ๋อแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เราควรจะเห็นมันด้วยความเป็นอย่างนี้พระเจ้าจึงบอกพระอนคุนบอกว่าอนุนเธอควรเห็นธาตุลมด้วยท่าตลมที่งหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเที่งแล้วมันเป็นทุกข์เป็นสุขก็เป็นทุกข์ สิ่ง้เป็นทุกก็ไม่ควรยึดมั่นถึงมันว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานี่คือธาตุทั้ง4ที่บอกอดังนั้นในเช่นขออนุญาตสรุปแบบคนที่เพิ่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านเจ้าของคําถามนี้เลยนะคะว่ า, เ, าเขาถามมาว่าวายโยธาต์กับอากาศะธาต์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรโดยเอาเรื่องธาตุทั้ง6แต่จริงๆแล้วเนี่ยได้ความรู้กว้างขวางไปอีกสําหรับคนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสว่าคนเนี่ยประกอบได้ธาตุี่อย่างใช่ดินน้ ำ, นนำลมไฟก็ตามลักษณะของอเราก็รู้จักกันนะคะว่าดินควรจะเป็นอย่างไรใช่แล้วก็มาถึงธาตุ 6. นี่ก็ยังเป็นองค์ประกอบในคนอีกนั่นแหละแต่ละเอียดมากขึ้นด้วยการที่ได้เพิ่มวิญ ญ, ญาณธาตุและอากาศาและอากาศธาตุเข้ามาวิญ ญ, ญาณธาตุคือตัวรู้นะคะ สิ่งที่เข้าไปรู้ได้เข้าไปอาศัยในสีธาตุนั้นถูกต้องแล้วอากาศธาตุเป็นช่องว่างที่อยู่ตามส่วนต่างๆจึงทำให้เกิดการสงสัยของท่านเจ้าของคาถามว่าเอากอากาศกับลมมันน่าจะคล้ายกันจึงถามมาว่าอากาศธาตุกับวาโยธาต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือดิฉันขอทำความเข้าใจนะคะว่าวายโยธาตุท่านบอกว่าคีย์เวิร์ดคือไหวตัวได้ถูกต้องนะคะ เมื่อเราเอามือลูกผ่านอากาศเกิดลมขึ้นเกิดการไหวตัวถูกต้องอันนั้นคือวายโยความรู้ที่เราเข้าไปจับเนี่ยเราไปจับกับอะไรธาตุลมค่ะอะไรเข้าไปจับวิญญาณธาตุออแล้วเราจะต้องรู้เรื่องผู้นี้ไปทำไมล่ะคะเพื่อเห็นมันโดยความเป็นอนัตตาอือค่ะพอเห็นมันโดยความเป็นอนัตตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะปล่อยวางได้โอ้ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงนะโอเคโอเค จะไม่ควรจะต้องมายึดถือว่ามันเป็นของเราตัวเราใช่ไหมเพราะป่วยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะจะมีทุกเขเวทนาน้อยลงค่ะถ้าอาจารย์ค้างงั้นเดี๋ยวกราบเรียนถามอีกมันเหมือนกับว่าการที่เราจะพิจารณาธรรมอันนี้ถือว่าในการที่จะเห็นธาตุทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังทําวิปัสสนาละพิจารณาธรรมถู ก, ถกต้องตรงเป๊กทีนี้ในกรณี การพิจารณาเรื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเช่นพิจารณาเรื่องของขันว่ามันไม่เที่ยงใช่ขันขันทั้งห้ า, าใช่ไหมไอ้ธาตุทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นองค์ประกอบในรูปประขันค่ะขันทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราเห็ควรเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงถูกต้องวางให้ได้ คนที่จะเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงวางได้เนี่ยจะต้องเบื่อจะต้องคลายกำหนัดก่อน <ừ> จะคลายกำหนัดได้จะต้องเบื่อนหน่ายก่อนจะเบื่อหน่ายได้เนี่ยจะต้องมีสมาธิก่อนจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนคนจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ต้องมีสมาธิก่อนคนจะมีสมาธิได้จิตคุณจะต้องไม่ร้อนรนไม่มีความร้อนใจคนจะไม่ร้อนใจได้ต้องมีศีลก่อน อพอมีศีลไม่มีความร้อนใจจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงจะปล่อยวางปล่อยวางจะเบื่อนหน่ายใครกําหนัดปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็สบายเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาแฮค่ะแค่นี้ก็จะคลายทุกข์ไปได้ <c oughs> ท่านท่านอธิบายมาถึงตอนเนี้ยดิฉันกลับไปตอนหัวรายการเลยว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของอปันนกาธรรม เอาไว้รับมือกับความร้อนใจยกตัวอย่างเช่นสัปดาห์อันตรายนี้นะคะก็สามารถที่จะนําเรื่องนี้เข้าไปจับได้เช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องท่านกลับไปที่ศีลเลยให้มีศีลแล้วแผ่เมตตาแม้วันนี้ได้เยอะเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ภัยบูลไว้เป็นอย่างยิ่งคะ่ะน้ัพสการคะ่ะท่านฟั ง, งท่านฟังคะท่านกําลังฟังรายการสัมสนีสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอนะค ะ, นะคะแล้วก็ เราก็มีพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนท่านที่เขียนมาขอหนังสือเนี่ยนะคะท่านก็ยังขอได้เสมอซึ่งขณะนี้เรากำลังแจกหนังสือเล่มที่ชื่อว่าอาณาปานสติให้วันละหนึ่งเล่มสำหรับผู้ที่ส่งแสตม์เข้ามาที่หมายเลข022690006คือไม่ใช่ส่งมาทางโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มาก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งคะ่ะว่าจะประสานงานกันอย่างไร วันนี้เราก็คงจะต้องร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านใช้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองนะคะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ